ต้นไม้ในโลกทิพย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรผู้ที่เกิดมาในโลกมนุษย์ถ้าหากไม่ศึกษาก็ไม่อาจจะรู้ว่าต้นไม้ที่ตนเห็นอยู่เสมอทุกวันนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกของโอปปาติกะโดยธรรมดาก็มีต้นไม้มีแม่น้ำมีภูเขาและมีธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายคนส่วนมากในโลกนี้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 ก็คือขึ้นอยู่กับวิบากของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆซึ่งหมายความว่าโอปปปาติกาที่อยู่ในภูมินั้นๆเมื่อมีความปรารถนาอยากจะได้ต้นไม้ชนิดไหนต้นไม้ชนิดนั้นก็จะเกิดขึ้นตามความต้องการและที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะวิบากที่จะบันดาลให้เกิดต้นไม้ชนิดนั้นมีอยู่แต่ขอได้โปรดจาไว้ด้วยว่า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 เพราะต้นไม้แต่ละชนิดเมื่อตายแล้วพลังอันนี้จะมีเหลืออยู่เสมอพลังที่ว่านี้เปรียบเสมือนหนึ่งมเมล็ดพืชต่างๆในโลกมนุษย์ซึ่งคนในโลกมนุษย์นั้นเมื่อต้องการต้นไม้ชนิดไหนก็ไปเที่ยวเก็บพันุ์ชนิดนั้นมาปลูกข้อนี้ฉันใดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะซึ่งสันดานที่ติดเป็ดจากมนุษย์นั้น ย่อมมีความปรารถนาที่จะได้เห็นต้นไม้ต่างๆซึ่งความปรารถนาที่ว่านี้ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกแต่มันก็มีอิทธิพลพอที่จะบันดาลให้เกิดต้นไม้ต่างๆขึ้นมาได้โดยที่โอปปาติกาเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวว่าต้นไม้ต่างๆที่ตนเห็นอยู่เกิดจากความปรารถนาในส่วนลึกในจิตใจของตนและด้กฎอันนี้เองธรรมชาติที่แวดล้อมในภูมิต่าง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 เป็นการยากมากที่จะเรียนรู้นอกจากพวกที่ฉลาดจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเท่าที่ท่านรู้จักที่สามารถจะตอบปัญหาได้ว่าต้นไม้ต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอปปปาติกะคนแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแม่นม้ำภูเขาที่เห็นอยู่ครั้งแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างขนาดท่านซึ่งก็ น, นับว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติในโลกนี้พอสมควร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 แต่มันจะไม่เกิดเป็นเชื้อโรคทันทีเมื่อมาถึงตอนนี้ขปเจ้าได้ซักถามต่อไปอีกว่าในโลกของโอปปาติกะจะมีเชื้อโรคอยู่บ้างหรือไม่ท่านได้ตอบว่าในบางภูมิโดยเฉพาะคือในภูมิตามนั้นมีแน่และมีมากด้วยตัว อ, อย่างเช่นพวกโอกปปาติกะที่อยู่ในภูมิตานี้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 และได้ศึกษารู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปปาติกานั้นเขาเข้าใจกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ดีเขารู้จักวิบากของตัวเองดีเพราะฉะนั้นจึงสามารถบันดาลหรือเนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาตามความปรารถนาจากจิตสำนึกของตอนได้จากคำอธิบายของท่านที่กล่าวมานี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซึ้งในพุทธพจน์ที่ว่า วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแตา่วิญญาณหมายเหตุคำว่าวิญญาณจิตและมโนโหรือใจเป็นไวยพ์แก่กันคือมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันใช้แทนกันได้นะครับและทาให้นึกถึงคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ทิตเทวงาณทัทสนะของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณอาทิเทวงาณทัทสนาหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกของโอปปปาติกะทั้งหมดซึ่งเมื่อพูดอีในยะหนึ่งหมายความว่าแม้พระองค์จะเป็นมนุษย์แต่ก็มีความรู้ในเรื่องโลกของโอปปปาติกะ ดียิ่งกว่าพวกโอปปาติกะชั้นสูงสุดเสียด้วยซ้ำไปตามสัพ์แปลว่าการรู้เห็นที่เป็นไปทับซึ่งเทวดาทั้งหลายซึ่งหมายถึงว่าการรู้การเห็นของพระองค์ในเรื่องโลกของโอปปาติกะสูงกว่าเทวดาทุกประเภทรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาทิตย์เทวยาณทัศนะผู้ที่สนใจ ขอให้อ่านหรือฟังจากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาแปลและอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งชมรมผลดีก็จัดทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับการศึกษาให้รู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปปปาติกานี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องรู้ตามสมควร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 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคําอธิบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติในโลกของโอปปาติกะดังที่ได้อธิบายมาแล้วในตอนต้นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องในบาลีอคัญยสูตรซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องกําเนิดของคนไว้ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกมนุษย์นี้ไม่มีคนครั้นแล้วพวกพรหมอภัสร์ซึ่งพวกนี้ก่อนที่จะเกิดเป็นพรหมเคยได้ฝึกสมาธิ ได้ถึงขั้นจตุทถาชานคือชานที่สี่พรหมพวกนี้มีรัศมีออกจากตัวมากมีปีติเป็นอาหารและมีความสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้อย่างง่ายดายพรหมเหล่านี้เองซึ่งไม่ใช่คนเดียวได้มาพบโลกมนุษย์ซึ่งในสมัยนั้นธรรมชาติในโลกมนุษย์สวยงามมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลไม้ต่างๆท่านเหล่านี้ได้ทดลองกินผลไม้ในโลกนี้ ในที่สุดก็เกิดชอบใจและพอใจที่จะอยู่ในโลกนี้และได้อยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานมากซึ่งในคาภีไม่ได้บอกไว้ว่านานกี่หมื่นปีหรือกี่แสนปีหรือกี่ล้านปีเพราะเหตุที่พวกนี้ชอบรสของผลไม้ต่างๆในโลกนี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้องกินอาหารก็อยู่ได้แต่ครั้นบริโภคอาหารนานๆนเข้าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากกายทิพย์มาเป็นกายเนื้อ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 และพูดถึงผลไม้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับซึ่งท่านอธิบายโดยละเอียดไว้แล้วในหนังสือพุทธวิทยาเป็นหนังสือที่อธิบายหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ผู้สนใจทำไม่ควรพลาดในการศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของกําเนิดมนุษย์นั้นจะสังเกตได้ว่าแก่นสําคัญนั้นคล้ายกับเรื่องอาดัมและอีฟกินผลแอปเปิ้ลต้องห้าม ตามคําสอนของคริสตศาสนาเช่นเดียวกันเพียงแต่ใช้อุปมาการเปรียบเทียบหรือการอธิบายแตกต่างกันเท่านั้นนะครับในเรื่องของพรหมที่ท่านว่าผ่านมาในโลกและติดใจอาหารในโลกมนุษย์นั้นบาลีใช้คําว่าอภัสระซึ่งตามศัพท์แปลว่าผู้มีรัศมีหรือแสงสว่างแผ่ซ่านออกจากกายถ้าใช้ตามความหมายนี้ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีแสงสว่างในตัวผ่านมาพบเห็นโลกก็อาจจะตีความได้กว้างและลดข้อสงสัยได้มากขึ้นนะครับข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้ถามเทพเจ้าองค์ที่ตอบปัญหาข้อที่แล้วมาว่าข้อความในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้เพียงไรท่านบอกว่า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 ก็จะมองเห็นความจริงที่ว่าพลังงานวัตถุ ก, ก็คือพลังงานนามธรรมที่หยาบสาสารก็คือการรวมตัวของพลังงานนามธรรมที่มีความเข้มข้นเนื้อแท้ของสากลจั ก, กรวาลก็คือวิญญาณหรือสภาพที่เป็นนามธรรมนั่นเองอย่าลืมนะครับว่า วิญญาณกับจิตเป็นไวยโพดซึ่งกันมีความหมายเหมือนกันและทางวิทยาศาสตร์ก็มีการค้นพบพลังงานบางอย่างที่เรียกในเบื้องต้นว่าอนุภาคพระเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งและต่อมาก็ค้นพบว่าอนุภาคเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความว่างในจักรวาลจำลองได้จริงแต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์พลังงานนมามธรรม ที่เป็นต้นกำเนิดอนุภาคจากความว่างนั้นถ้าอนาคตวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้ก็คงจะไขความกระจ่างหรือรู้ซึ้งกฎของธรรมชาติกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกมากและคงเข้าใจเรื่องโลกหลังความตายหรือภพภูมิอีกมิติหนึ่งหรือเข้าใจโลกของโอปปติกะพลังงานแห่งบุญและบาปพลังงานกุศลพลังงานอกุศลได้ดีและเข้าใจลึกซึ้งกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกมากเลยนะครับ แต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องเข้าใจว่าพลังงานนามธรรมก็ต้องพิสูจน์ด้วยนามธรรมคือพิสูจน์ทางใจหรือทางจิตเป็นหลักเท่านั้นถึงจะรู้เห็นได้อย่างถูกต้องแท้จริงท่านบอกว่าการศึกษาเรื่องอนัตตาของพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติต่าง ที่มีอยู่ในโลกทิพย์ก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจว่าร่างกายที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นความจริงไม่มีหรือไม่เป็นอย่างที่ตาเรามองเห็นหรืออย่างที่เข้าใจตามประสาสัมผัสท้งห้าและถ้าหากคนไหนจะนึกแต่เพียงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะเหตุว่าวันหนึ่งร่างกายจะต้องตาย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 เขาก็ย่อมจะเต็มใจสละบ้านหลังเก่าการสอนให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องอนัตตา น, นั้นไม่ยากแต่จะสอนให้คนทั่วไปละความยึดถือในเรื่องตัวตนนั้นยากที่สุดแต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตในโลกของโอปปปาติกะเป็นอย่างดีแล้วการสอนให้ละความยึดถือในกายเนื้อนั้นทำได้ง่าย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 ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณหรือจิตท่านบอกว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้อย่างจมแจ้งความเป็นห่วงตัวเองจะเหลือน้อยมากและพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนที่รู้แจ้งในเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้าถึงอมตะธรรมในขั้นต้นส่วนการเข้าถึงอมตะธรรมในขั้นสูงก็คือการบรรลุถึงนิพพาน หรือพูดอีกนา่าหนึ่งคือเข้าใจเลืกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้กายทิพย์ก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาวิบากก็ไม่มีจริงวิญญาณก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังกัตรธรรมทั้งสิน้นคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุปัจจัยหรือเกิดขึ้นด้วยเหตุร่วมกันอันสังกตรธรรมนั้น ดับได้สูญได้สิ้นได้หมดไปได้คือเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุปัจจัยร่วมกันเมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ดำรงอยู่ไม่ได้และสังกตตธรรมนั้นหมายถึงขันห้าทั้งหมดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนอสังคตตธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหมายถึงนิพพาน การเข้าถึงอมตะธรรมในขั้นสูงก็คือการบรรลุถึงนิพพานคือเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้กายทิพย์ก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาวิบากก็ไม่มีจริงวิญญาณก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังกัตธรรมทั้งสิ้นอันสังกัตธรรมนั้นดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้คนที่เข้าถึงความจริงในขั้นนี้ ซึ่งหมายถึงเข้าใจเรื่องนี้แจมแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้ทั้งหมดผู้ที่ก้าวมาถึงขั้นนี้เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งจริงๆว่าตัวเราที่แท้มีหรือไม่ตัวเราตายจริงหรือเปล่าความเข้าใจถึงความจริงในขั้นนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่ว่ายากก็เพราะโดยสันดานของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปยังอยากที่จะมีตัวตน ซึ่งความอยากอันนี้เหนียวแน่นลึกซึ้งมากทั้งๆ ท, ที่ความอยากอันนี้โดยตัวมันเองก็เป็นสังกตธรรมคือไม่มีจริงเหมือนกันคือเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุปัจจัยและตราบใดที่ยังมีความอยากอันนั้นอยู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็ยังต้องคงมีอยู่ตลอดไป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 อยู่เหนือความตายได้ท่านบอกว่าคําสอนบทนี้จับใจท่านมากแต่ถึงกระนั้นโดยสันดานหรือโดยวิบากของกิเลส ท, ที่มีอยู่ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ายังละความยึดถือในตัวตนโดยเด็ดขาดไม่ได้แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องกายมนุษย์อย่างที่ท่านเคยมีมาแล้วมองเห็นได้ชัดเหลือเกินว่ากายนี้มันเป็นเปลือกของชีวิตจริง